เราจะมีศีลห้าอย่างสมบูรณ์โดยไม่เข้าใจศีลห้าอย่างระดับปุถุชนเนี่ยนะมันลําบากเพราะมันมีแง่มุมเรื่องการที่จะรักษาศีลให้สมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ ง, ง่ายๆจูกไม่จูกอย่างที่ผมเคยบอกว่าเคยไปไปฏิบัติแล้วมีคนเอาอาหารสองเอาเข้าไปไปรับประทาน แล้วก็แจกกันรับประทานอาหารสองแบบคนและให้ละลายแล้วก็เตือนกันว่านี่ต้องคนให้ละลายเดี๋ยวผิดสี <c oughs> หมายว่าถ้าละลายแล้วมันจะได้ไม่ต้องเคี้ยวนะไม่โดน ล, ลิ้นโดนฝัด <c oughs> ก็ามจริงละลายหรือไม่ละลายผิดทั้งคู่แต่เขาไม่รู้เขานึกว่าอะไรที่มันเคียเค้ยวๆ <c oughs> มันต้องผิดสี <c oughs> กลายไปกินเขาเห็นนี่ผิดกันไปแล้วไม่รู้เนี <c oughs> ่ยทั้งที่อยากยารักษาแต่ว่าไม่เข้าใจ นี่พูดถึงในระดับสีนแปดอันนี้นะก็ก็เยอะมอกันถึงขั้นสีนี้แปดเขาก็มีแง่มุมเยอะโดยเฉพาะอาหารเย็นเรื่องที่นั่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะะบางทีเราก็รักษาไปแบบมึนๆืนื้ไม่เอาเขราจริงก็ไม่เคยแน่ใจแล้วว่าอผิดหรือไม่ผิดอะไรเงี้ยนะอ่าละข้างฝ่ายภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง คือภิกษุณีองค์ที่สี่แหมองค์นี้นะเรารู้จักไม่ลืมเลยจำไม่ลืมเลยชื่อสงสารไม่เลิกเลยคือนางปตจลาที่บรรลุธรรมด้วยชีวิตแสนลำเค็ญแสนตาหัดเป็นพอบรรลุเป็นพระอรหันต์บวดแล้วกลายเป็นผู้ทรงวิไัยก็ ก็ดูก็เข้าบุคลิกเดิมนะเพราะคนที่ผ่านความทุกข์มาสาหัสเนี่ยมันกล้านแหละไอ้ที่จะให้เป็นไปบวชเป็นพระแล้วลิงโลดอะไรคงไม่เคยได้แล้วคงสีดทั้งชีวิตแหละก็เลยเหมาะกับการจะรักษาวินยัยอันนี้เราก็คิดเล่นๆนะไม่ใจ่อธิบายนะ่้แต่นี่ท่านเป็นอหรหันต์แล้วยังไงท่านก็กได้และนางเองก็เลยมาเจริญรอยตามอย่างท่านดูบาลีนี่ก็เลยเป็นตุลาการ เป็นพระสายดุลการฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงคราวนี้วัดนะในส่วนของวัดวัดหมายถึงวัดปฏิบัติเนี่ยนะก็ก็มีพระเทลระองค์ที่สี่พระมากรสปะได้รับยกย่องในทางทุดงเขาวัดทุดงเนี่ยเป็นวัด คือไม่ใช่ศีลบังคับให้พระต้องปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของธรรมคือหมายถึงสิ่งที่เป็นเกื้อกูลแก่ธรรมใครที่มีกิเลสพัวพันผูกพันอยู่กับอะไรแล้วก็พยายามปฏิบัติในทางเอาจริงเอาจังจํากัดจำเกียร์กับเรื่องอย่างนั้นเพื่อให้กิเลสตัวนั้นไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเช่นคนที่เห็นแก่กินก็ต้อง เ, อเกี่ยวกับเรื่องทุตงอาวาัตเกี่ยวกับอาหารมีหลายอย่าง อย่จันมือเดียวจันทรในบาศินธาบาตาตามลำดับไปอย่างนี้นะในนี้ท่านก็ยกย่องทันมหาคัศปะทั้งปฏิบัติเองและทั้งสอนอีกองค์หนึ่งคือพระเถระองค์ที่สิบสี่ได้รับยกย่องในทุดงข้อหนึ่ง่ะคือข้ออยู่ป่าเป็นวัดเนื่องจากว่าท่านองค์นี้ป่าที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นป่าไม้ตะเคียนป่าไม้เนื้อแข็ง เลยเรียกท่านว่าคาธิรวะนิยะเรวตาหรือบางทีก็เรียกกลับการว่าเรวตะคาธิรวะนิยาคาธิรวะนิยะเนี่ยหมายถึงป่าไม้ตะเขียนผู้อยู่ที่ป่าไม้ตะเขียนชื่อว่าเรวตะท่านผู้นี้ไม่ใช่ใครเป็นน้องชายคนสุดท้ทองพระตาลีบุตรบวชตั้งแต่อย่างเด็กบวชแบบที่เรียกวันหนีเขาเรียกวันหนีขันหมาก เพื่ออะไรดีหนีกันหมากอ่ะใช่ไหมกำลังจะทำพิธีแต่งทำอุบายขอไปเบาไปที่หายไปเลยทิ้งเจ้าบ่าไอ้ทิ้งเจา้าสาวหม่กันหมากตัวก็ได้มาบารรลุปเป็นปลาปลันในภายหลังแล้วก็อยู่ป่าที่แห่งหนึ่งเป็น อาจกินแล้วก็ไม่ค่อยจะไปไหนนี่เป็นพระที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นิยมการจาริกประเภทชอบอยู่กับที่พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาเยี่ยมด้วยภิกษุสอหมู่ใหญ่แล้วก็ทางที่มาก็กันดานบางเส้นทางไม่กันดานบางเส้นทางท่านก็อยู่เป็นผ้าสุขอีกองค์หนึ่งองค์ที่สี่สิบเอ็ดครับพระองค์ที่สี่บเอ็ด คือพระโมคคราชพระโมคคราชนั้นเป็นว่าดีว่าถึงอายุนะแก่กว่าพุทธเจ้านิดหน่อยแต่สถานะของท่านโมคคราชเนี่ยท่านเป็นลูกฟิ์ของพราหมภาวรีคนหนึ่งที่ได้มาเฝ้าทูลถามปัญหาของพระพุทธเจ้าและได้บรรลุเป็นพระล้านไปทั้งสิบหกองนะองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งแต่อีกอีกสิบ้าองค์ที่เหลือไม่ได้รับยกย่อง เป็นเอตัคขะอง์นี้องค์เดียวในกลุ่มสิบหกเอกกลุ่มกลุ่มสิบหกนี่สมัยนี้มีไม่รู้ถึงสี่หกกี่องสมัยก่อนในกลุ่มสิบกเนี่ยก็บรรลุเป็นอาลันหมดจะก็ได้รับยกย่องเป็นพิเศษก็องค์นี้และอีกองค์หนึ่งองภิกษุณีองค์ที่สิบสองนะ พระนางกีสาโคตมีสององค์นี้ได้รับยกย่องเหมือนกันคือทรงจีวรเศร้าหมองใช่ไหมรูขาจีวรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มสายอันหนึ่งนะางทีก็เห็นคนทรงจีวรเศร้าหมองคือใส่จีวรหมองหมองคำคลำสิทธ์ก็ไม่ยอมย้อมอะไรเงี้ยนะฮะ ดูมองๆเยวอหมองแต่พระนุ่งและพระนุ่งห่มและหน้าเลื่อมใสเป็นที่เลื่อมใสอันหนึ่งของคนทีนี้พอนุ่งแปลกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าสิซีดๆเนี่ยผิวหน้าผิวเราก็ลอยซีดไปด้วยถ้าเป็นเราเนาะแต่พระไม่ไงนั่นหรอกพระใส่ยิ่งซีดตัวท่านยิ่งผ่องยิ่งหน้าเลื่อมใสเลยเป็นจุดที่ตั้งของความศรัทธาอันหนึ่งของโยมอ่ะ ว่ามีรูปรับมีรูขับในรูขับเปื่อนนี่ไม่ไม่ใช่ตัวพระเศร้าหมองนะปากซีดหน้าซีดผิวซีดเลือดฝาดไม่มีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพระที่หน้าเลื่อมใสไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่พระจะทําให้เศร้ามองไนดะ้ไม่ใช่ทําตัวแต่ทําเครื่องทงหงทีนี้ที่ทำเนี่ยไม่ใช่ไปทำล่อยให้คนเลื่อมใสทำเพราะอะไร นุ่งจีวรเศร้าหมองเพราะอะไรเหตุผลของพระที่พระพุทธเจ้ายอมรับนะคือไม่ให้ตัวเองติดแต่แลเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงกับพระดีว่าท่านพยายามอย่างนูอย่างนี้ไม่ให้น่าไม่ให้น่าดูแต่ยิ่งทําไม่ให้น่าดูยิ่งน่าดูอ่ะจริงไม่จริงพระอยู่กับตอบให้น่าดูพระใส่รองเท้าก็เก่าเอ้น่าดูกลายเป็นงั้นปฏิเสธ ยิ่งทำไม่ให้น้าดูยิ่งผมเราเอาไว้ยาวอ่ะเอาไว้ไว้ผมว่าดีท่านโกนผมโกนคิว้วเพื่อไม่หน้าดูเราว่าน้าดูผมยาวไม่น้าดูอกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกยิ่งใส่วิกกิ้งไม่น้าดูอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับเราเลยทีนี้ที่ท่านทําอย่างนั้นทําเพื่อปลามกิเลสตัวและ เมื่อปรามกิเลสแล้วก็มีความสุขกับการปราบกิเลสปรามกิเลสตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านประพฤติตัวในลักษณะเล่ามองด้วยประการใดๆเนี่ยเป็นความผาสุขของท่านคนจะไปเลื่อมใสมันเรื่องของโยมไม่ใช่ไม่ใช่ความมุ่งหมายของพระเพราะนั้นที่ท่านทําเนี่ยจึงเป็นเรื่องเป็นความสุขอยู่ในสายสันโดษ ในลูกเข้มข้นของท่านนั่นเองอย่างจีวิวเข้มขนม้นนะมีไตจีวอนสมผืนเนีย่ยกระสันโดดเยอะแล้วอจีวรนสามผืนยังจีวอนสีสีอีกยิ่งเข้มขน้นยิ่งไปอีกออประนางกีสาโคตมีชื่อว่าโคตมีเนื่องจากเขาผอมแล้วเรียกกีสาที่ลูกตาย แล้วมาข อ, อยาพระบุทธเจ้าพิจาราประทานอะไรยาอะไรให้ให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ปาะกาศเป็นอุบายในสื่อก็เลยบรรลุธรรมแล้วก็ได้บวชแล้วก็ประพฤติตัวแบบเดียวกับท่านโมคตระนี่เป็นเรื่องศีลวัดครับมีธานีคราว น, นี้ก็ามาเรื่องของเทศนาเทศนาถือเป็นเบื้องต้นของมรรคผลคือปริยัต ก็มีความว่าได้รับยกย่องที่ระบุว่าเป็นธรรมกระถึกสามลูกคือท่านปุณณมันตานิบุตรพระเทระองค์ที่เก้าได้รับยกย่องมาเป็นธรรมกระถึกคือผู้แสดงธรรมชี้แจงธรรมในลักษณะพูดง่ายๆอย่างเดี๋ยวนี้คือเป็นนักเทศ อ, อท่านปุณณมันเตนตานีบุตรเนี่ยถ้าสูตรเกี่ยวกับท่านมีมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องพูดเป็นอย่างสั้นๆให้รู้ในที่นี้ก็คือว่าตัวท่านเองท่านเป็นชาวกบิลพัทและสิ่งสําคัญที่ถือเป็นเกียรติของท่านอันหนึ่งนะในความรู้สึกเราคือท่านเป็นหลานชายลูกน้องสาวของท่านอัญญาโกนทัญญะหรือจากท่านัญญาโกนัญญานะ เป็นหลานชายและที่มาบวชนี่ก็พ่อลุงแหละลุงได้มาบรรลุทำอะไรแล้วก็เอาหลานบวชปัญจวัคคีทั้งห้านะทำแบบนี้เอาเอาลูกหลานมาบวชลูกไม่มีแล้วเอาหลานแม้แต่พระนาลกะก็เป็นหลานของท่านเป็นเดวัคคีองใ ด, อ ง, ดองหนึ่งเตี่ยวมาบวช อานี่ท่านปุณณนะอีกท่านหนึ่งได้รับยกย่องในทางแสดงธรรมเป็นภิกษุณีองค์ที่ห้าคือพระนางธรรมตินนาเถรีแต่งงานแล้วไม่เปลูกเป็นลูกสาวเศรษฐีได้สามีเป็นเศรษฐีออกเรือนก็ได้สามีเป็นเศรษฐีสามีคือวิสาขคฤหาบดีสามีไม่ได้บวชเป็น อนาคาตตัวนางนั้นได้บวชเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เป็นนักเทศพิคุณีนักเทศแล้วก็มีโยมชายอีกคนหนึ่งครับคนที่สามเป็นธรรมกะถึกชื่อว่าจิตตากระเาบบดีนี่ก็เป็นนักเทศนักแสดงธรรมไม่มีอุบาศิกาได้รับยกย่อง ในทางธรรมกัตถกนะเอานี่ น, นี่ในส่วนของเทศนาส่วนเ ก, ว ก, กี่ยวกับธรรมกัตถุคราวนี้อีกส่วน เ, เป็นถือเป็นเทศนาด้วยคือโอวาสโอวาสในหมายถึงพร่ำสอนเราคล้ายๆอย่างที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้พะบทโอวาสถึงไม่ใช่เป็นลักษณะการสแสดงในเชิงวิทยาการ โอวาทเป็นผู้เลิศในทางการให้โอวาทมีอยู่สององค์องค์หนึ่งคือพระนันท ก, กะองค์ที่สามสิบหกครับและอีกองค์องค์สามสิบแปดคือท่านหมากับปีนาเราเราก็ดูว่าสาิบหกคือท่านนันท ก, กะเนี่ยท่านเป็นชาวสาวัตถีแหละแล้วก็ตอนหลังก็ได้มาบวชบรรลุเป็นพระหลานแล้วก็ พระทั้งหลายในสมัยพุทธการเนี่ยก็จะได้รับเวรมีเวรต้องไปไปให้โอวาดแก่ภิกษุณีนะแต่ว่าองค์ที่ได้รับยกย่องเป็นเอต ท, ทะคัจคือท่านท่านนันทกะทีนี้เอ ท, ท, ที่ว่าท่านพิเศษในทางให้อวาดเนี่ยปกติการให้อววาดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วางทีก็อววาดว่าเออให้ช่วยกันดูแลวัด อย่างงูอย่างงี้นะฮะไอ้ขยันเรียนอะไรเงี้ยท่ารีแล้วเราอ่านโอวาทอย่างเช่นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาบันทึกโอวาทของท่านอูจนาการพิวังศักดิที่ถือว่าเป็นยอดนักปราชญาของพามา่าเขาแต่งหนังสือเป็นไม่รู้กี่สิบเล่มที่ผมไปหามันสือเล่มโตโ ต, ตนั่นแนหะแล้วก็ส่วนแต่งก็จะมีตําราที่แต่งเป็นตําราเนี่ยอัรกระถาดีกาพระไตรปิฎกหมดเลย ทุกแง่ทุกมุมแต่งได้หมดแล้วขายดีหมดด้วยแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มที่อันนี้ผมไม่ซื้อมาอไม่ได้เอามาเป็นเล่มที่เรียกโอวาทของท่านเป็นพูดเป็นาภาษาพม่าไม่ได้เกี่ยวกับหลักวิยาก็โอวาสสอนพระลูกศิษย์เนีอย่างงูอย่างนี้แต่ว่าสมัยพุทธกาลไม่ได้โอวาสอย่างงี้โอวาทสมัยก่อนเขาโอวาสกันให้ให้ให้เป็นอริยานะะ เอาเวลาพระมาเข้าเวรมาทายังไงที่จะสอนคนให้เป็นท่านนันตกานะให้โอวาดและพระทิศุณีบรรลุเป็นพระ ร, าาร้านเยอะกว่าเพื่อนเอางี้ก็แล้วกันเราอยากฟังไหโอววาดงี้ให้อวาดแล้วทําให้คนได้บรรลุเป็นพ ร, ราหล้านในการให้อวาดนั่นเลยหลังก็มีนี่ท่านนันตกาท่านเลิศทางนี้คือสอนและทําให้คนทําได้ด้วย และทำให้คนทำได้ผลสูงสุดด้วยสําหรับท่านกับปีนณนะ์ะกรงกันข้ามคาว่ากรงกันข้ามหมายถึงท่านเลิศในทางให้อาวาตแกพิสูุแบบเดียวกันครับให้อาวาตและทำให้คนบรรลุเป็นพระอราหันต์ไม่บรรลุคาที่ก็เกิดแรงบันดาลใจไปปฏิบัติจนบรรลุภายหลังท่านมหากรินะเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ครอง นครกุกุตาวดีที่ปัจจันตเจนบทออกบททั้งพระราชินีแต่ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มาได้ดีได้ดีทั้งคู่มีศรัทธาแรงกล้าแต่ได้รับยกย่องทางสอนคือเรื่องนี้ก็แปลกนะฮะเราเราพูดถึงอย่างเราเนี่ยเราเวลาไปสู่ที่ ธรรมะเนี่ยเฉพาะพูดถึงเฉพาะแค่ประมาณในเรื่องการปฏิบัตบางคนฟังแล้วโอ้โหได้กำลังใจมีความรู้สึกว่าไม่ไกลนะฮะแค่เอืมเราทำได้มีกำลังใจอย่างมากแต่ว่ า, บ า, บ, าบางอาจารย์ฟังแล้วทอ้ทอท้อถอยเลยฟังแล้วเหมืองหม้ว่าทีเหมือนโดนด่าทุกทีไม่อยากทำเลย ไม่เหมือนกันอย่างนี้นี่เกลียเลยกลายเป็นบุคลิกเป็นบุคลิกด้วยเป็นความสามารถด้วยของแต่ละอาจารย์ไม่เท่ากันแต่เรายังไม่เจอที่ให้อวาตเราแล้วได้วิปาาัสสนาญาณคาที่ยังไม่เจอเอาขนาดว่าถึงไม่ต้องได้อย่างท่านมากับพี่นะแาศน้องๆ อ, อย่างเนี้ยก็ยังไม่เจออยากจะเจอโยมเหมือนกันทัศ มานะฮะถัดมาก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าในทางอธิบายในทางอธิบายคล้ายๆว่าแก้บทขัดข้องแก้ความย่อเรียกว่าอธิบายวิเคราะห์แจกแจงที่ได้รับยกย่องสามรูป คืนหนึ่ง อ, องค์ที่สิบท่านมากัจ ย, ยนะนี่เรารู้ในพระสูตรมีมากที่พุทธเจ้าได้ทรงมาให้โอกาสแก่ท่านกันจยนะอธิบายบางทีก็พระพระนี่จะรู้เลยสมัยก่อนเวลาฟังธรรมะ ย, ย, อม ย, อย่อไม่เข้าใจพรุทธเจ้าจเสด็จลุกไปตะก่อนก็จะพากันรวมตัวไปที่กุฏิท่านมหา迦เจยนะแล้วขอร้องให้ท่านอธิบายท่านก็นจะอธิบายได้ดีลักษณะการอธิบายท่านจะเก่งคล้ายๆภาษาลิบุตรนะ แต่ว่าพระสัทบุตรไม่ได้รับยกย่องเป็นกรณีพิเศษแบบนี้แต่ลักษณะการอธิบายคล้ายๆกันและอีกองคหนึ่งคือองค์ที่สิบเจ็พระองค์ที่สิบเจ็ท่านโสนกุติกันนะชาวอาวันตีลูกศิษย์ของท่านมหากัจยนะนั่นเองได้รับยกย่องในทางตรงนี้นะ่ะเป็นเรื่องของการ ตองดูนะฮะองค์สิบเจ็ดการที่ที่ในนี้ท่านเรียกว่าผู้มีถ้อยคำไเ่ละคำว่าถ้อยคำไพ่ละตรงนี้นะ่ะหมายถึงการสวดก็ว่าจริงๆนะเวลาที่ท่านบุคลิกเองของท่านเองการพูดการจาท่านคงจะเป็นคนพูดเลาะอยู่แล้ว แล้วก็เมื่อมาสวดมาอะไรเข้าโคกโผคอยเลาะมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องถึงขนาดให้นอนล่วงกุฏิเมื่อมาเฝ้าครั้งแรกแล้วก็ว่าเอออเธอได้เคยได้ได้รับถ่ายทอดพระสูตรอะไรจากครูบาอาจารย์บ้างให้สวดตายายให้ฟังก็สวดพระสูตรบทแต่ยาวๆสั้นๆพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ส่งอนุโมสนาว่าน้ําเสียงก็ดีจังหวะก็ดีถ้อยคําก็ชัดเจนสละสลวย ภายเลาะมากจึงได้รับยกย่องอย่างนี้ต่อไปอีกองหนึ่งคือท่านกุมาลกัสปาองค์ยี่สิบแปดองนี้วิจิตในทางอุ ป, ปมาเปรียบเทียบปีพสูตรของท่านอยู่สูตรหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าท่านเปรียบเทียบได้เก่งเหลือเกินคือในพ ร, รที่โปรด พระเจ้าบ้นดินองค์หนึ่งอยู่ในพระบิดกนะปายาสีราชยสุคราวนีอ้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเสียงเราจะเห็นว่าเื่องเสียงก็ยังมายกย่องกันคือมีสององค์องค์ที่เจ็บท่านละกุณดากะพัทยาชื่อตัวคือพัทยา แต่ที่เรียกวัลกุณากะเนื่นงองจากว่าท่านเป็นพระที่บุคลิกเป็นคนต่ำเตี้ยรูปร่างเล็กๆเห็นแล้วก็เหมือนกันเนนนะถ้าไม่พูดเนี่ยไม่มีค่าเลยนี่ว่าถึงว่าตีค่ากันแบบวัตถุกรรมบุคลิกแต่ต่ำๆเตี้ยๆดูอาจจะน่ารักไปแบบเด็กๆแต่เวลาพูดแล้วเสียงเพราะมาก ไม่มีแล้วครับคนบางคนเนี่ยตัวอาจจะไม่สวยไม่หล่อแต่ว่าเสียงพลอใช่ไหมฮะก็นักร้องบางคนนั้นหน้าเหมือนผียังร้องดังได้ใช่ไ้มครับนักร้องหน้าผีร้องพลอดังกว่าคนหน้าหน้าเหมือนเทวดาอีกหลายๆคนที่อยู่ในยุคเดียวกันเรื่องนี้มันเรื่องของบุญ ที่ได้สั่งสมไว้ในแต่ละส่วนอย่างท่านองค์นี้นะ่ะทำไมถึงรูปร่างเตี้ยทำไมถึงเสียงเพราะความจริงนะ่ะผมจะเอาไว้ก่อนนี้จให้บอกตรงนี้หน่อยที่วัดเสียเนี่ยเพระาะว่าออนที่เขาสร้างเจดีย์อุทิตพระพุทธเจ้าองค์ก่อนน่ะท่านเป็นในช่างไม้แล้วก็พูดไงตำนองว่าไปคัดค้านก็นไปทอนไอ้ไอใหญ่ให้เป็นเล็ก เลยคออ่างอะไรแต่ละพันซึงเป็นเรื่องอกุศลเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกินกินเหล็กกินหินแล้วมั้งบากทีมันเล็กแต่ไอายขนาดข้างในนะอาข้างนอกมองไม่ออกเลยทําให้เป็นคนล่างเตี้ยผิดปกติเตี้ยจนเป็นทีการลักษณะพิกา ร, ลาการแล้วทําไมเสียงคราะหเนี่ยบุญมันมาให้ผลในชาติเดียวกันเสียงเคราะหเพราะว่าเคยเกิดเป็นนกดูว่วอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง และสมัยนั้นพระเจ้าทรงประทับอยู่เห็นเข้าก็าเลื่อมใสไปคาบผลมะม่วงมาถวายพระเจ้าทรงรู้ก็สั่งให้พระอุปถากต์ เ, เอาบาทไปรับก็ามาถวายแล้วก็แบ่งให้พระทั้งหลายได้ฉันกันคือสัตว์ในสารกับพระปฏิบัติเนี่ยเอารู้กันนะมันเรื่องมันรู้กัน เห็นพวกเราบางคนเอาเทพธรรมะไปเปิดนกเวลาเปิดเวล า, วลาถึงเวลาเปิดเทพธรรมะตรงอ้องรับแข ก, กนะนกมันบินมาชุมชุมกันในตรงประตูที่เปิดเทพธรรมะนะ่ะนี่อยู่แล้วถนนริโย่เนี่ยผมไปบ้านก็ยังเียร์ดูเวลาเวลาเอาเทพธรรมะเปิดมันจะมากันมาฟังธรรมะกับเจ้าของบ้านเนี่ยมันมาเพราะพลังเสียงคนในเทพหรือพลังคนเปิด <c oughs> ก็ยังไม่ได้ตั้งปัญหาถกกัน แต่มันก็มามันมันมามันไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเขารู้นกมันรู้ใจพระก็รู้ใจสัตว์เลยฉานเป็นธรรมดานะยุคเราก็มีแบบนี้เหมือนกันเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องพูดเลยแถมไปนั่นนะกลัวจะฟังเหลือเชื่อแต่อันนี้ก็มันเป็นเลยเลยทําให้ให้เสียงดีจากที่การการที่ทําอย่างนี้เอว่าต่อไป อีกองหนึ่งคือพระปิ่นโลภารัตวาจ้พระเทระองค์ที่แปดนะนี่บรรลือเสียงนะคือพูดง่ายว่าลักษณะเสียงในทางอำนาจเป็นข้อดีทางอำนาจของการใช้เสียงนีห้าโมงเลยจะให้พูดต่อไหมเนี่ยเราพูดต่อเถอะนะเพราะนี่จะต้องหยุดกันเยอะเลยทีนี้เลยเลยเล่าวาแซกแันิดนึงวันนี้เราจะหยุดคราวหน้าหยุดนะฮะเนื่องจ า, าที่นี่อ ในนี้เขาจะไม่อยู่กันเลยเจ้าหน้าที่ในนี้นะเขาก็ขอเคหยุดแล้วก็อาทิตย์วันเสาร์ถัดไปมีครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะหยุดยาวยาวไปถึงนู่นแหละเจ้าหน้าที่จะไปอินเดียกันก็จะกลับมาวันเสาร์ศัพท์ครั้งที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะจะบอกให้เป็นทางการอีกทีแล้วกันนะนี่ผมผมเลยเกริ่นไว้เพื่อขอความเห็นใจว่าพูดต่อดีไหมพูดต่อให้จบกระบวนความตรงนี้ไปนะฮะอีกสักหน่อย ถ, ถ้าถ้ า, ถาดดท่านผู้ใดมีธุระก็ขอเชิญกลับไปก่อนได้ผมไม่รู้พูดพูดเที่ยวนี้แล้วอาจจะไม่ได้มาพูดอีกก็ได้ไปอินเดียแล้วอ่ะไปเลยก็ได้ไม่รู้ <laughs> แขกไม่ยอมให้กลับ เรามาพูดถึงกลุ่มที่สามเลยทีนี้กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามี่เห็นหน้าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มโลกธรรมโลกธรรมหรือลาบยศสนเสริญอะไรอย่างนี้นะได้รับยกย่องในเชิงนี้ก็จะมีอยู่สามส่วนคือส่วนแห่งลาบยศทรงยกย่องพระสาวกในทางลาบสามรูปด้วยกันครับ อันนี้ตัวนี้น่าสนใจหน่อยครับพอ ม, มา ถ, ถึงเรื่องราบนี่เราอยากรู้่านทำอะไรยังไงไว้ก็มีองค์ที่สิบแปดครับพระเทลรองค์ที่สิบแปดใคร ร, ร, รู้ไหมพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครเป็นโอรสของพระนางสุ ป, ปวาสาชาว โ ก, โกริยะก็เป็นญาติบุตรเจา้าทิศและว้อท่านศิีวั ล, ลีนี่แหละครับที่อยู่ในท้องนานเป็นวิเศษตั้งคันนานเป็นวิเศษจเจ็ดปะด้วยอำนาจบุพกรรมไม่ยอมคลอดแม่ก็ทุกข์ทรมานและที่มาคลอดเนี่ยเพราะว่าแม่ส่งฝาก ค, คนมา ออกมาพระพเจ้าพระเจ้าก็ทรงตรัสให้พรคือทําคลอดโดยพุทธานุภาพอพูดทเสมอว่าขอให้คลอดโดยสวัสดีทั้งแม่ทั้งลูกตรัสขาดคำํำณที่บ้านคลอดเลยแล้วลูกก็รู้เดียงสาเฉลี่ยฉลาดนําราบมาสู่ครอบครัวอย่างมาโหรานตั้งแต่เกิดแล้วก็หลังจากนั้นมาบัวก็เรื่องราบนี่ของท่านเป็นที่หนึ่งก็แล้วกันท่านศิวรี คนก็เลยนับถือท่านมากนี่ถ้าใครเป็นนักร้องต้องนับต้องนั่นครับบูชาละคุณดกระพัดยะเวลามีรางวัลวงการศิลปินนะะนี่ถ้าก็เชิญผมไปไ ป, ไปเป็นกรรมการหมวยแมวและบวกเทพเจ้าแขกแมวอินดัวสร้างพระดีกว่าแล้วพวกนักร้องก็นี่ท่านละคุณดกระพัดยะ ถ้าเป็นนักอย่างไงก็เลือกพระอรหันต์ให้องค์นั้นองค์นั้นอ่าอันะนี้ก็ท่านศิวลีและอีกองค์หนึ่งองค์ที่ยี่สองครับท่านกุฎทานะกุฎกุณดะทานะกุนดาทานะชื่อเดิมท่านเนี่ยคือท่านทานนะทอทอทงนะอองค์ยี่สองดูองค์ยี่สองชื่อเดิมคือท่านทานนะแปลว่าทรง ทรงไว้กุนดาเนี่ยแปลว่าความชั่วเดิมทีก็เรียกต า, านาธนะเพราะบวชเข้าเนี่ยท่านเกิดเรื่องประหลาดเป็นกวงกรรมเก่าท่านบวชแล้วก็มักจะมีผู้หญิงเดินสะกดรอยตามหลังอวบินทบายก็มีผู้หญิงสะกดรอยตามหลังเข้ากุฏิก็มีผู้หญิงสะกดรอยตามหลังพอท่านหันหน้าออกมาข้างนอกผู้หญิงเพ่นพ่นเป็นพ่ายอยู่ในกุฏิท่านใครถ้าใครพากันเห็นอย่างนี้ก็เข้าใจท่านผิด ไม่คบหาสมาคมด้วยเกือบจะโดนจับไปลงโทษแล้วอยู่ที่เมืองตะวทีสืบไปสืบมาก็เลยได้ความว่าเป็นบุพกรรมเก่าท่านที่ท่านได้เคยไปทำใส่ลายเข้าไว้ตัวก็มาเกิดเหตุการณ์ไนลักษณะภาพลวงตาชวนให้กระใจผิดอยากลอยากฟังผมก็ไม่เล่าแล้วพูดไว้แค่นี้ก่อนแต่เมื่อท่านเป็นอรหันต์แล้วเนี่ย ปรากฏว่าท่านมีโชคพิเศษอันหนึ่งพูางาว่าถ้ามีการจับเบอร์กันเนี่ยท่านจะต้องได้ของรางวัลแพงที่สุดถ้ามีการหาโอกาสกันท่านจะต้องได้โอกาสก่อนนั้นท่านจะได้คุณพิเศษทางลาท่านคือหนึ่งต้องได้ก่อนและได้มากหรือได้ดีที่สุด เพราะนั้นในนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้รับสลากก่อนเพราะนั้นก็เนี่ยมีการทดลองกันแล้วพยายามให้ท่านที่หลังที่หลังไหนก็ท่านก็บังได้ก่อนเสม อ, อ, อต่อไปครับท่านพักกุละ ท่านพักกุล่าเนี่ยได้รับยกย่อองค์ยิสองค์ส3มสามอเป็นลาบอย่างยิ่งลาบคือความไม่มีโรคมีอาภาษน้อยต่อไปก็ยศองค์ที่หกท่านพัทธิยะโกลิสะโคธากาลิสอาท่านพัทธิยะกาลิโคธาองค์ที่หก อันนี้ก็เป็นไปยุญาตของพุทธเจ้าอ่ะนางกาลีโกธานะเป็นชื่อแม่พัติยาเป็นชื่อตัวได้รับยกย่องว่าเกิดในสกุลสูงเกิดถือเป็นยศอันหนึ่งท่านอุลุเวลากระสปะได้รับยกย่องในทางบริวารยศมีบริวารมากอหารหันทั้งนั้นสามพันอรหันต์หมดเลยเป็นบริวารแทดที่เรียกว่าในชั้นสาวกเลยกันในพิเศษมากบริว า, อารอรหันต์ทั้งนั้นเลย อต่อไปก็เรื่องทานเรื่องทานนะะเรื่องทานนี้ก็ในมีส่วนผู้ให้กับส่วนผู้รับส่วนผู้ให้นะ่ะก็เห็นเจ้าว่าธรรมดาแหละก็รวมแล้วแต่เป็นโยมชายโยมหญิงทั้งนั้นโยมชายคนที่สองอนาถาหรือสุสตตาเศรษฐีนะแล้วก็เป็นผู้เลิศทางให้ท่านมหานามะนี่ก็เลิศทางให้ ให้รถใช่ไหมรถอร่อยรถอันประณีตแล้วก็ท่านอุกอุกคะคนที่หกโภชนะเป็นที่จอบใจแล้วก็นางสุสปนางวิสาขาเลิศเท่นเดียวก็ท่านนาธานาสุปวารสา อุบาสิกาคนที่หกลดอันประณีตคือคําว่าประณีตกระถูกใจเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะถ้าถูกใจมันก็ให้ของแล้วมันเหมาะใจคนรับบางทีไม่ประณีตก็อาจจะถูกใจได้อันนี้เราก็เคยเจอแล้วว่าบางทีเราของไปถต่วาดปลาเนี่ยบางทีเราว่าประณีตเนี่ยนะแต่ว่าไม่ถูกใจพลาหรอกเอาไม่เชื่อท่านร้อง ถ้าไปอีสานแล้วเอาไอ้ไอ้อะไรที่พวกสปาเกตตี้อะไรแต่เข้าไปเวายพระกับส้มตาเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันอันไหนประณีกว่ากันจะเป็นโดยภาชนะหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถูกใจพระไม่เหมือนกันดังนั้นผมถึงเจออย่างที่พมาเนี่ยอาหารไทยแล้วว่าดีๆเนี่ยพระท่านเฉยๆท่านท่านชอบอย่างของท่านนหะครับแบบ สปงปลงอะไรอย่างที่เราว่าเนี่ยท่านถูกใจท่านเพราะว่าท่านคุ้นกับท่านของท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่รู้ใจในเรื่องอาหารเนี่ยก็จะดูคนไหนยังไงยังไงเหมือนกับช่างต้นนี่โยมเวลาทําบุญเนี่ยกับละเนี่ยบางคนมีลักษณะอย่างนี้บางคนนะเอาว่าเอาราคาเอาอะไรที่ตัวเองเห็นเป็นหลักแล้วก็ไปทําถูกไม่ถูกไม่ได้ นึกเอาเป็นหลักเาะนั้นถูกใจจะถูกใจเพราะในเชิงประโยชน์ใช้สอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนางสุบาวาสาก็แม่ของท่านศิวลีเมื่อกี้ต่อไปที่แปลกเนี่ยที่น่าคิดแล้วเป็นคติแกเราดีก็คือกรณีผู้รับ ผู้รับทานเนี่ยครับและนี่ถือเป็นการยกย่องในมุมแปลกหน้าเริ่มใสก็คือท่านสุภูติองค์ที่สิบสามในตำแหน่งที่สองนะว่าเป็นทักษีเนยยะและตรงนี้มีอธิบายไว้ชัดว่าท่านสุภูติเนี่ยเมื่อเวลาจะไปรับบิณฑบาต ท, ทุกๆวันเนี่ยท่านจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้พูดใสบาตรเนี่ย ได้บุญได้กุศลได้สิริมงคลท่านทำยังไงท่านเข้าสมาบัติท่านจะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นความรับผิดชอบอย่างพิถีพี่ถันไม่ใช่ตามมีตามได้ศีลก็มีอยู่แล้วแต่รู้ว่าพระเนี่ยาเข้าสมาบัติทำอะไรที่เป็นการส่งเคราะห์โยมในในทางธรรมะให้ได้บุญมากๆได้พิณิฮานท่านจะทำอย่างนี้ทุกครั้งก่อนก่อนไป แล้วก็เมื่อฉันเสร็จแล้วท่านจะทำให้อันนี้ที่ว่าเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยก็คือว่าเราถึงไม่ใหญ่ปลาเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเวลาที่เราได้อะไรจากใครเนี่ยแม้ได้รับการชดเชยเราต้องตอบแทนถ้าตอบแทนด้วยทางวัตถุไม่ได้หรือทางวัตถุได้ด้วยแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่อธิบายยากแตมีพลังสูงคือในแง่ของธรรมะ ควรตอบแทนอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเวลาเราไปสมมติเราไปปฏิบัติธรรมแล้วมีคนเข้ามาทําบุญทั้งนิมนต์ทั้งปลาทั้งไม่เจี๊ยปลาอ่าเราก็ต้องนึกว่าเออทำยังไงถึงจะตอบแทนแก่ผู้มาทําบุญที่เขาหวังบุญเราก็ทําเรียนแบบท่านถึงจะไม่ถึงท่านห่างท่านมากเพียงไงก็ตามอย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกว่าได้รับผิดชอบในสํำนึกอันนี้ก็มีอยู่องค์เดียวที่ี่ได้รับยกย่องกัน น, นี้นี้เอาละคราวนี้มาพูดถึง ในส่วนที่เรียกว่าวเยายววัจจะการบำเพ็ญประโยชน์ได้รับยกย่องในแง่นี้ก็มีบางองค์นั้นได้รับยกย่องในทางบริการก็ oh. มีอยู่สองครับท่านทัพพระมัลระบุตรเป็นพวกเชื้อสายกษัตริย์มัลละจัดเสนาสะนะองค์ที่ยี่ห้าท่านอาน o นน์ได้รับยกย่องทางอุปถัมภ์ อย่างดีอย่างยืดเยื้อยาวนานภูตาครุพุทธเจ้าองค์ที่สามสิบแล้วก็ไอ้เวยยวัฏจะัะเนี่ยมันมีเวียวัฏจะด้วยบริการอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ด้วยบริการการช่วยเหลือทางออกแรงกายออกความพิไะไรก็ไรแล้วแต่แล้วก็ด้วยทานทานที่ให้ในลักษณะเป็นเครื่องมือของเวียวัฏจะจัดเป็นเวียวัจะ ที่ผสมเสมด้วยทานใช้ทานด้วยเครื่องมือก็คือในกรณีของอุบาสกคนที่สี่อัตตะอุบาสกแล้วก็อุบาสกคนที่หกอุกคตาอุบาสกคนที่สี่อัตตะอุบาสกสงเคราะห์บริษัทนี่ก็โดยการให้ด้วยการพูดเพราะอะไรก็อยู่ในนี้หมดแล้วก็องอท่านที่หกท่าน อ่าท่านที่อุอกขะตาที่เจ็ดนะเป็นสังฆ อ, อุปถาซื้อรับใชส้ส่งอันนี้การรับใช้ด้วยด้วยแรงใอันหนึ่งแต่อันนี้เขาเรียกว่าเอาด้วยแรงเอาหน้าแล้วออกหน้าแล้วก็มีวัตถุตามหลังคล้ายๆอย่างงี้ว่าพระกุฏิพังเราอยากแค่ช่วยสร้างกุฏิพระแล้วก็ซื้อคอนไปอันหนึ่งซื้อสปูไป อย่างอื่นที่จำเป็นไปแล้วก็ไปซ่อมกุฏิให้พระเสร็จแล้วก็เลยถวายก้อนไว้ให้พระเลยอย่างงี้นะอย่างนี้นะถือว่าเป็นวอยาวัจะที่มีทานเป็นบริวารอา่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเนืยาวจะแล้วก็นางสุป ป, ปิยานางสุป ป, ปิยานะโยมคนโยมหญิงคนที่เจ็ดคีลานุปทาหมายถึงอุปถากภิกษุไข่ ก็แน่นอนล่ะอะไรที่เป็นปัจจัยแก่การอุปสารคพิสูจนค่ายรับใช้พิสูจน์ค่ายก็เอานาไปเป็นอุปกรณ์ช่ยเหลือทีนี้สุดท้ายนะครับเรื่องวิสาสะทาความคุ้นเคยถือเป็นเวยาวัจจ์อันหนึ่งคือเรื่องคุ้นเคยเนี่ย ถ, ถ้าเราต้องไปอยู่บ้านคนอื่นไปอยู่ในถิ่นอื่น วิสาสะนี่มีความหมายมากจริงไมจง่จริงสมมติรเราไปที่บ้านใครสักคนเขาเราต้องไปอยู่เขาสักเดือนนี้นนะแล้วก็แต่ละคนก็ทําตัวเกรงๆกรงกับเราหมดไม่ยอมมาทําความคุ้นเคยให้เราสบาย อ, อกสบใจเราก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจไม่เป็นสุขใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาคุ้นเคยเราก็รู้สึกสะดวกใจเป็นสุขจะบอกจะหวานอะไรมันสะดวกหมด วิสาสาตัวนี้ไม่ใช่ละลาและลวงแต่หมายถึงทําความคุ้นเคยทําความเป็นกันเอกโดยทําต้องเน้นว่าโดยทําและก็โดยเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เราใคุ้นเคยด้วยไอ้คุ้นเคยมันมีสองแบบคุ้นเคยเพื่อจะเอากับคุ้นเคยเพื่อจะให้คุ้นเคยเพื่อจะเอาเข้าใจมทามาตรฐสนิทแล้วก็ อาโอกาสเพื่อจะเอาลัดเอาเปรียบเพื่อจะใช้สอยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุ้นเคยเพราะมีจิตที่จะเกื้อกูลเนี่ยอันนี้อีกอันหนึง่งและที่ยกย่องคือยกย่องในแง่นี้เพราะฉะนั้นอุบาสกคนที่สิบอุบาติกาคนที่เก้าสองสามีภรรยาคู่นี้ได้รับยกย่องในฐานนะเดียวกันทั้งคู่ไปทําความคุ้นเคยกับละในลักษณะเกื้อกูล เวลาพระจะอะไรก็ได้ไหวหวานแย่ช้อยอะไรได้้เรื่องอย่างนี้ในสมัยนี้เราก็พอมีตัวอย่างนะฮะคนที่ไปคุ้นเคยไปเงี้ยพระเกรงใจพระระลึกถึงอะไรเงี้ยมีเป็นตัวอย่างนึงเทปเราเนี่ยมีผมก็ได้มีโอกาสรู้จักคนอย่างนี้และอ่าดัง น, นั้นว่าวันนี้เราจบ กันบรรยายเปียนท่านี้พบกันวันที่20นะฮะ20เดือนมกราทิศหน้าหยุดแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะบอกอีกทีว่าจะย้ำอีกทีแล้วกันนะว่าวันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้อไม่ได้จดจำวันที่แน่นะว่า เดี๋ยว ถ, ถ้าใครจำได้เราเราจะกลับจากอินเดียวันที่หกใช่ไหมฮะกรงกาวันอะไรไม่รู้นะก็เรียกว่าวันเสาร์หลังวันที่หกก็แล้วกันวันเสาร์หลังวันที่หกลุมพาก็จะมีการมายายตามปกติแล้วก็จะพูดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน นะเรื่องนี้ก็จะกี่ครั้งก็แล้วแต่ครับไปวันที่ยี่สิบสี่ออกเดินทาง <spielt> ก็พวกเราก็าไปกันกันอยู่หลายคนนะที่ไปได้วยกันคราวนี้ครับก็ขอ ยุติการบรรยายเท่านี้นะฮะขอให้เราตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลของเรานะฮะพร้อมทั้งแผ่เมตตาด้วยเพื่อให้แก่ผู้อื่นและนั่นก็คือการให้ตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยด้วยอำนาจบุญที่ได้ทำร่วมกันคือการฟังธรรมแต่ด้วยอำนาจบุญที่ได้ทำเฉพาะตัว ในส่วนอื่นที่อื่นของวันนี้ของวันก่อนนี้ทั้งหมดก็าระเ้าทั้งหลายขออุทิศบุญและเมตตาจิตนี้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงกำหนดแต่ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ เ, เดละชะนเปรตอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงได้อานุโมทนาโดยทั่วกันรวมทั้งสัตว์อื่นที่อยู่ในทิศทั้งปวงโดยไม่มีที่สิ้นสุดขอจงได้อนุโมทนาโดยทั่วกันด้วยอำนาจบุญและเมตตาของข้าพเจ้านี้ขอให้ทั้งท่านและข้าพเจ้าจงดำรงชีพ อยู่อย่างเป็นสุขทั้งกายและใจปลอดภัยจากภัยพิบัติโรคาพารทุกชนิดแม้เกิดเหตุเพศไปโรคาพารอย่างใดขึ้นก็ขอให้บำบัดได้รักษาได้ปัดเป่าได้โดยฉับพลันขอให้ ข้าพเจ้าทั้งหลายและสะรรพสัตทั้งปวงจงถึงพร้อมด้วยจริยธรรมอันงดงามทั้งทางกายและใจวาจาทั้งต่อหน้าและรับหลังแก่บุคคลทั้งปวงด้วยแก่ตนเองด้วยขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสะรพพสัตทั้งปวงจง บริหารตนอยู่ด้วยปัญญา